วิธีสละของที่เป็นนิสกีสละแก่สง์ภิกษุณีรูปนั้นพึงเข้าไปหาสง์ห่มอุตราสงเฉียงบ่าข้างหนึ่งกราบเทา้าภิกษุณีผู้แกพรนสานั่งประยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าแม่เจ้าของนี้ดิฉันออกปากคอของอย่างหนึ่งแล้วจึงออกปากคอมาเป็นนิสกีดิฉันคอสละของนี้แก่สง์พรั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัต ภิกษุณีผู้ฉลาดสามารถพึงรับอาบัติพึงคืนของที่เธอสละให้ด้วยยติกรมมวาจาว่าแม่เจ้าขอสงจงฟังข้าพเจ้าของนี้ของภิกษุณีเชื่อนี้เป็นนิสกีเธอสละแก่สงถ้าสงพร้อมกันแล้วพึงคืนของนี้ให้แก่ภิกษุณีเชื่อนี้สละแก่คณะภิกษุณีรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุณีหลายรูปโฮมุตระสงเ์เฉวงบาข้างหนึ่ง กราบเท้าภิกษุณีผู้แก่พรรษานั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าแม่เจ้าทั้งหลายดิฉันขอสละของนี้แก่แม่เจ้าทั้งหลายทั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติพึงคืนของนี้ให้แก่ภิกษุณีชื่อนี้สละแก่บุคคลภิกษุณีรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุณีรูปหนึ่งหมอุตราสง์เฉวียงบ่าข้างหนึ่งนั่งกระยองประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าแม่เจ้าดิฉันขอสละของนี้แก่แม่เจ้า พันสละแล้วพึงแสดงอาบัติดิฉันคืนของนี้แก่แม่เจ้า